ร้อเจสภาวะธรรมที่ไม่มีเหตุเป็นปัจจัยแห่สภาวะธรรมที่ไม่มีเหตุโดยอุปาินสยปัจจัยมีสองอย่างคืออันันตรูปะนิสยะและปะกระตูปะนิสยะปะกระตูปะนิสยะได้แก่สุขทางกายเป็นปัจจัยแห่สุขทางกายทุกข์ทางกายและโมหะโดยอุปาินสียปัจจัยทุกข์ทางกายอุตุโภชนะเศนาสนะเป็นปัจจัยแห่สุขทางกายทุกข์ทางกายและโมหะ โดยอุปาเนสยปัจจ <บ ieth. S 1> <โ Stupid>. ัยโมหะเป็นปัจจัยแก่สุขทางกายทุกทางกายและโมหะโดยอุปาินสยปัจจัยสุขทางกายทุกทางกายอุตุโภชนะเสนาสนะและโมหะเป็นปัจจัยแก่สุขทางกายทุกทางกายและโมหะโดยอุปาเนสยปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่มีเหตุเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่มีเหตุโดยอุปาเนสยปัจจัยมีสามอย่างคืออารมณูปัณิสย อนันตโรปนิสิยะและปะกะตูปาณิสิยะปะกะตูปาณิสิยะได้แก่บุคคลอาศัยสุขทางกายแล้วให้ทานทำลายสง์อาศัยทุกทางกายอุตุโภชนะไสนาชนะโมหะแล้วให้ทานทำลายสงสุขทางกายโมหะเป็นปจัจจัยแก่ศรัทธาปัญญาราคะความปรารถนามรรคและพละสมาบัตโดยอุปาณิสิยะปัจจัย สภาวธรรมที่ไม่มีเหตุเป็นปัจจัยแห่สภาวธรรมที่มีเหตุและที่ไม่มีเหตุโดยอุปาเนสียปัจจัยมีสองอย่างคืออนันตโรปาเนสียและปกระโตปาเนสียปกระโตปาเนสียได้แก่สุขทางกายและโมหะเป็นปัจจัยแห่ขันและโมหะที่สหรคตด้วยวิจิกิจจาและที่สหรคตด้วยอุทจจะโดยอุปาเนสยปัจจัยรย้อปสภาวธรรมที่มีเหตุและที่ไม่มีเหตุ เป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่มีเหตุโดยอุปาณิสยาปัจจัยมีสองอย่างคืออนันตารูปานิสยาและปะกะตูปานิสยาปะกะตูปนิสยาได้แก่ขันและโมหะที่สหรคตด้วิจิกิจฉาและที่สหรฆดุอุทจจะเป็นปัจจัยแก่ขันที่มีเหตุโดยอุปาณิสยาปัจจัยสภาวธรรมที่มีเหตุและที่ไม่มีเหตุเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ไม่มีเหตุโดยอุปาณิสยาปัจจัยมีสองอย่าง คืออนันตารูปานิสียะและปะกะตูปานิสียะปะกะตูปนิสียะได้แก่ขันและโมหะที่สหะรคตุวิจิกิจฉาและที่สหรคตุอุทจจะเป็นปัจจัยแก่ขันและโมหะที่ไม่มีเหตุโดยอุปนิสียะปัจจัยสภาวธรรมที่มีเหตุและที่ไม่มีเหตุเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่มีเหตุและที่ไม่มีเหตุโดยอุปนิสียะปัจจัยมีสองอย่างคืออนันตารูปานิสียะ และปะกะตูปะนิสยะปะกะตูปะนิสยะได้แก่ขันและโมหะที่สห์รคตด้วยวิจิกิจฉาและที่สห์รักขดุอุทจจะเป็นปัจจัยแก่ขันและโมหะที่สหรคตดุวิจิ ก, กิจฉาและที่สห์รักขดุอุ yes. ท, กก Pharaoh, ทจจะโดยอุปนิสยาปัจจัยปุเรชาตะปะัจจัยร้อยเก้าสภาวธรรมที่ไม่มีเหตุเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ไม่มีเหตุโดยปุเรชาตะปะัจจัยมีสองอย่าง คืออารมณบปุเรชาตะและวัตถุปุเรชาตะอารมณ์ปุเรชาตะได้แก่บุคคลเห็นแจ้งจากสุขหาไทยวัตถุโดยเป็นสภาวะไม่เที่ยงโทมนะจึงเกิดขึ้นเมื่อกุศลและอกุศลดับแล้วจิตุบาที่เป็นวิบากซึ่งไม่มีเหตุจึงเกิดขึ้นโดยเป็นตทารมรรบายตนะเป็นปัจจัยแก่จักขวิญญาณโพธพายตนะเป็นปัจจัยแก่กายวิญญาณ โดยปุเรชาติปัจจัยวัตถุปุเรชาตะได้แก่จักขายตนะเป็นปัจจัยแข่จักภูวิญญาณกายายตนะเป็นปัจจัยแขกกายวิญญาณปุเรชาตะได้แก่อภัยวัตถุเป็นปัจจัยแข่ขันและโมหะที่ไม่มีเหตุโดยปุเรชาติปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่มีเหตุเป็นปัจจัยแข่สภาวธรรมที่มีเหตุโดยปุเรชาติปัจจัยมีสองอย่างคืออรมณ์ปุเรชาตะ และวัตถุปุเรชาตะอารมณปุเรชาตะได้แก่บุคคลเห็นแจ้งจากสุหาไทยวัตถุโดยเป็นสภาวะไม่เที่ยงโทมนัจึงเกิดขึ้นเมื่อกุศลและอกุศลดับแล้วจิตุบาที่เป็นวิบากซึ่งมีเหตุจึงเกิดขึ้นโดยเป็นตถารม์บุคคลเห็นรูปด้วยที่ประจักขุฟังเสียงด้วยที่ประโสตทาตวัตถุปุเรชาตะได้แก่หาไทยวัตถุเป็นปัจจัยแก่ขันที่มีเหตุ โดยปุเรชาติปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่มีเหตุเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่มีเหตุและที่ไม่มีเหตุโดยปุเรชาติปัจจัยมีสองอย่างคืออารมณ์ปุเรชาตะและวัตถุปุเรชาตะอารมณ์ปุเรชาตะได้แก่เพราะปราบจากสุหาไทยวัตถุขันและโมหะที่โสระคดุวิจิกิจฉาและที่โสระคดุอุทะจะจึงเกิดขึ้นวัตถุปุเรชาตะได้แก่ หากไทยวัตถุเป็นปัจจัยแก่ขันและโมหะที่สหรูคดด้วยวิจิกิจฉาและที่สหรคดด้วยอุทะจะโดยปุจฉชาติปัจจัยปัจฉาชาติปัจจัยเป็นต้นร้อยสิบสภาวธรรมที่มีเหตุเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ไม่มีเหตุโดยปัจฉาชาติปัจจัยได้แก่ขันที่มีเหตุซึ่งเกิดภายหลังเป็นปัจจัยแก่กายนี้ที่เกิดก่อนโดยปัจฉาชาติปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่มีเหตุ เป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ไม่มีเหตุโดยปัจฉาชาตะปัจจัยได้แก่คันและโมหะที่ไม่มีเหตุซึ่งเกิดภายหลังเป็นปัจจัยแก่กลายในที่เกิดก่อนโดยปัจฉาชาตะปัจจัยสภาวธรรมที่มีเหตุและที่ไม่มีเหตุเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมไม่มีเหตุโดยปัจฉาชาตะปัจจัยได้แก่คันและโมหะที่สหรักด้วยวิจิกิจฉาและที่สหรักด้วยอุทจจะซึ่งเกิดภายหลัง เป็นปัจจัยแก่กายนี้ที่เกิด่อนโดยปัจฉาชาตะปัจจัยสภาวธรรมที่มีเหตุเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่มีเหตุโดยอาสวณปัจจัยปัจจัยนี้เหมือนกับอนันตระปัจจัยไม่มีอวชนะจิตและพวังขจิตในอาเัวณปัจจัยพึงเว้นทั้งก้าววาระกรมมปัจจัยร้อยสิบเอ็สภาวธรรมที่มีเหตุเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่มีเหตุโ etheless, <universo> ethics, ดยกรรมปัจจัย มีสองอย่าง stumbled? คือสหชาตะและนานาคณิกะสหชาตะได้แก่เจตนาที right? <ng> <ov> ่ม <im> ีเหตุเป็นปัจจัยแก่สัมพยุตตะขันโดยกรรมปัจจัยในปฏิสนธิขณะนานาคณิกะได้แก่เจตนาที่มีเหตุเป็นปัจจัยแก่ขันที่เป็นวิบากซึ่งมีเหตุโดยกรรมปัจจัยสภาวธรรมที่มีเหตุเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ไม่มีเหตุโดยกรรมปัจจัยมีสองอย่าง สหชาตะและนานาคณิกะสหชาตะได้แก่เจตนาที่ม <labeled> ีเหตุเป็นปัจจัยแก่จิตแต่สมุทฐานรูปโดยกรรมปัจจัยในปฏิสนธิขณะนานาคณิกะได้แก่เจตนาที่มีเหตุเป็นปัจจัยแก่ขันธ์ที่เป็นวิบากซึ่งไม่มีเหตุและกตั้ตารูปโดยกรรมปัจจัยสภาวธรรมที่มีเหตุเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่มีเหตุและที่ไม่มีเหตุโดยกรรมปัจจัยมีสองอย่าง สหชาตะและนานาคเนกะสหชาตะได้แก่เจตนาที่มีเหตุเป็นปัจจัยแก่สัมปยุตตะขันและจิตตาสมุทฐานรูปโดยก ร, รมมปัจจัยนานาคเนกะได้แก่เจตนาที่มีเหตุเป็นปัจจัยแก่ขันที่เป็นวิปากซึ่งมีเหตุและกะตตารูปโดยกรรมปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่มีเหตุเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ไม่มีเหตุโดยกรรมปัจจัยได้แก่ เจตนาที่ไม่มีเหตุเป็นปัจจัยแก่สัมปยุตขันและจิตตสมุทฐานรูปโดยกรรมปัจจัยในปฏิสน ธ, ธิขณะวิปากับปัจจัยร้อยสิบสองสภาวธรรมที่มีเหตุเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่มีเหตุโดยวิปากับปัจจัยได้แก่ขันธ์หนึ่งที่เป็นวิปากซึ่งมีเหตุเป็นปัจจัยแก่ขันธ์สามขันธ์สองในปฏิสน ธ, ธิขณะสภาวธรรมที่มีเหตุ เป็นปัจจัยแก่ nee. สภาวธรรมที่ไม่มีเหตุโดยวิปากับปัจจัยได้แก่ขันธ์ที่เป็นวิปากซึ่งมีเหตุเป็นปัจจัยแก่จิตตสมุทฐานรูปโดยวิปากับปัจจัยในปฏิสนธิขณะสภาวธรรมที่มีเหตุเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่มีเหตุและที่ไม่มีเหตุโดยวิปากับปัจจัยได้แก่ขันธ์หนึ่งที่เป็นวิปากซึ่งมีเหตุเป็นปัจจัยแก่ขันธ์สามและจิตตสมุทฐานรูปขันธ์สอง ในปฏิสนธิขณะสภาวธรรมที่ไม่มีเหตุเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ไม่มีเหตุโดยวิปากะปัจจัยได้แก่ขันธ์หนึ่งที่เป็นวิบากซึ่งไม่มีเหตุเป็นปัจจัยแก่ขันธ์สามและจิตตสมุทฐานรูปขันธ์สองในปฏิสนธิขณะขันธ์เป็นปัจจัยแก่หาไทยวัตถุโดยวิปากะปัจจัยอาหาระปัจจัยร้อยสิบสาสภาวธรรมที่มีเหตุเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่มีเหตุ โดยอาหา ร, รับปัจจัยมีสามวาระสภาวธรรมที่ไม่มีเหตุเป็นปัจจัยแห่สภาวธรรมที่ไม่มีเหตุโดยอาหา ร, รับปัจจัยได้แก่อาหารที่ไม่มีเหตุเป็นปัจจัยแก่สัมพยุติขันธ์และจิตตสมุทฐานรูปโดยอาหา ร, รับปัจจัยในปฏิสนธิขณะเกวีนิกราหารเป็นปัจจัยแก่กลายนี้โดยอาหา ร, รับปัจจัยอินทริยปัจจัยเป็นต้นร้อยสิสภาวธรรมที่มีเหตุ เป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่มีเหตุโดยอินทรียปัจจัยมีสามวาระสภาวธรรมที่ไม่มีเหตุเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ไม่มีเหตุโดยอินทริยปัจจัยได้แก่อินทรีย์ที่ไม่มีเหตุเป็นปัจจัยแก่สัมปยุตตะขันและจิตตสมุทฐานรูปโดยอินทริยปัจจัยในปฏิสนธิขณะจากผลสีเป็นปัจจัยแก่จักขวิญญาณกายินทรีเป็นปัจจัยแก่กายวิญญาณโดยอินทรียปัจจัย รูปปัจจิวิตินีเป็นปัจจัยแก่ขตัตารูปโดยอินทริยปัจจัยสภาวธรรมที่มีเหตุเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่มีเหตุโดยชานปะปัจจัยมีสามวาระสภาวธรรมที่ไม่มีเหตุเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ไม่มีเหตุโดยชานะปัจจัยได้แก่องค์ฌานที่ไม่มีเหตุเป็นปัจจัยแก่สัมปยุตตะขันและจิตตสมุทฐานนรูปโดยชานปะปัจจัยในปฏิสนธิขณะสภาวธรรมทีท่มีเหตุ เป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่มีเหตุโดยมรรคปัจจัยมีสามวาระสภาวธรรมที่มีเหตุเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่มีเหตุโดยสัมปยุตตปัจจัยในปฏิจจวาระมีหกวาระเหมือนกับสัมปยุตตปัจจัยวิปยุตตะปัจจัยร้อยสหสภาวธรรมที่มีเหตุเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ไม่มีเหตุโดยวิปยุตตะปัจจัยมีสองอย่างคือสหชาตะและปัจชชาตะ สหชาตะได้แก่ขันที่มีเหตุเป็นปัจจัยแก่จิตตสมุทฐานรูปโดยวิบยุตตะปัจจัยในปฏิสนธิขณะขันที่มีเหตุเป็นปัจจัยแก่ขตัตารูปโดยวิบยุตตะปัจจัยปัจชาชาตะได้แก่ขันที่มีเหตุเป็นปัจจัยแก่กายในที่เกิดก่อนโดยวิบยุตตะปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่มีเหตุเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ไม่มีเหตุโดยวิบยุตตะปัจจัยมีสามอย่าง คือสหาชาตะปุเรชาตะและปัจฉาชาตะสหาชาตะได้แก่ขันธ์ที่ไม่มีเหตุเป็นปัจจัยแก่จิตแต่สมุทฐานรูปโดยวิบยุตตปัจจัยในปฏิสนธิขณะขันธ์ที่ไม่มีเหตุเป็นปัจจัยแก่ขตตารูปโดยวิบยุตตะปัจจัยขันธ์เป็นปัจจัยขหายวัตถุโดยวิบยุตตปัจจัยหายวัตถุเป็นปัจจัยแก่ขันธ์โดยวิบยุตตะปัจจัยปุเรชาตะได้แก่ จักายยตนะเป็นปัจจัยแก่จักผูวิญญาณกายายยตนะเป็นปัจจัยแก่กายวิญญาณผาไทยวัตถุเป็นปัจจัยแก่ขันที่ไม่มีเหตุและโมหะโดยวิบิยุตตปัจจัยปัจฉาชาตะได้แก่ขันที่ไม่มีเหตุและโมหะเป็นปัจจัยแก่กายนิทึกเกิดก่อนโดยวิบิยุตตปัจจัยสภาวาธรรมที่ไม่มีเหตุเป็นปัจจัยแก่สภาวาธรรมที่มีเหตุ โดยวิปยุตตปัจจัยมีสองอย่างคือสหชาตะและปุรชาตะสหชาตะได้แก่ในปฏิสนธิขณะหาไทยวัตถุเป็นปัจจัยแข่ขันที่มีเหตุโดยวิปยุตตาปัจจัยปุรชาตะได้แก่หาไทยวัตถุเป็นปัจจัยแข่ขันที่มีเหตุโดยวิปยุตตาปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่มีเหตุเป็นปัจจัยแขวธรรมที่มีเหตุและที่ไม่มีเหตุโดยวิปยุตตปัจจัยมีอย่างเดียว คือ valeur, ปุเรชาตะได้แก่หาไทยวัตถุเป็นปัจจัยแก่ขันและโมหะที่สหรคตด้วิกิจิชฌาและที่สหรคตด้วยอุทัจจะโดยวิปยุตตปัจจัยสภาวธรรมที่มีเหตุและที่ไม่มีเหตุเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ไม่มีเหตุโดยวิปยุตตปัจจัยมีสองอย่างคือสหชาตะและปัจฉาชาตะสหชาตะได้แก่ขันและโมหะที่สหรคตด้วิกิจิชฌาและที่สหรคตด้วยอุทจจะ เป็นปัจจัยแก่จิตตสมุทานรูปโดยวิบยุตตะปัจจัยปัจฉาชาตะได้แก่ขันไดโมหะที่สหรโคดุวิจิกิจชาและที่สหรโคด้วยอุทะจะเป็นปัจจัยแก่กายนี้ที่เกิดก่อนโดยวิบยุตตะปัจจัยอธิปัจจัยร16สภาวธรรมที่มีเหตุเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่มีเหตุโดยอธิปัจจัยได้แก่ขันหนึ่งที่มีเหตุเป็นปัจจัยแก่ขันสาม ขันสองปฏิสนธิขณะสภาวธรรมที่มีเหตุเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ไม่มีเหตุโดยอธิปัจจัยมีสองอย่างคือสหชาตะและปัจฉาชาตะสหชาตะได้แก่ขันที่มีเหตุเป็นปัจจัยแก่จิตตสมุทฐานรูปโดยอธิปัจจัยขันที่สหัรคดด้วยวิจิตริชฌาและที่สหรคตด้วยอุทจจะเป็นปัจจัยแก่โมหะและจิตตะสมุทฐานรูปโดยอธิปัจจัย ในปฏิสนธิขณะปัจฉาชาต um ะได้แก่ขันธ์ที่มีเหตุเป็น ป, ป, ป, ปัจจัยแก่กายนี้ที่เกิดก่อนโดยอธิปัจจัยสภาวธรรมที่มีเหตุเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่มีเหตุและที่ไม่มีเหตุโดยอธิปัจจัยได้แก่ขันธ์หนึ่งที่มีเหตุเป็นปัจจัยแก่ขันธ์สามและจิตตสมุทฐานรูปโดยอธิปัจจัยขันธ์หนึ่งที่สหรคโคตุวิจิกิจฉาและที่สหรคตุอุทัจฉา เป็นปัจจัยแก่ขันสามโมหะและจิตตสมุทฐานรูปโดยอธิปัจจัยขันสองในปฏิสนธิขณะขันที่มีเหตุ1้อสภาวธรรมที่ไม่มีเหตุเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ไม่มีเหตุโดยอธิปัจจัยมีหอย่างคือสหชาตะปุเรชาตะปัจฉาชาตะอาหาระและอินทริยะสหชาตะได้แก่ขันหนึ่งที่ไม่มีเหตุ เป็นปัจจัยแก่ขันสามและจิตตสมุทฐานรูปโดยอัิปัจจัยขันสองโมหะที่สหรคตรด้วยวิจิกิจฉาและที่สหรริรโคดยอุทจจะเป็นปัจจัยแก่จิตตสมุทฐานรูปโดยอัติปัจจัยในปฏิสนธิขณะพึงเพิ่มข้อความจนถึงไอสัญญาสัตตพรมปุเรชาตะได้แก่บุคคลเห็นแจ้งจากสุหาทายวัตถุโดยเป็นสภาวะไม่เที่ยงโทมณจึงเกิดขึ้น เมื่อกุศลและอกุศลดับแล้วจิตุบาทที่เป็นวิบากซึ่งไม่มีเหตุจึงเกิดขึ้นโดยเป็นตทารมรูปายตนะเป็นปจัจจัยแก่จักขวิญญาณผูถ า, ายตนะเป็นปจัจจัยแก่กายวิญญาณจักขา ย, ายตนะเป็นปจัจจัยแก่จักขวิญญาณกายายตนะเป็นปัจจัยแก่กายวิญญาณโดยอธิปัจจัยหาไทยวัตุเป็นปัจจัยแก่ขันหนึ่งที่ไม่มีเหตุและโมหะโดยอธิปัจจัย ปชาชาตาได้แก่คันที่ไม่มีเหตุและโมหะเป็นปัจจัยแก่กายนี้ที่เกิดก่อนโดยอธิปัจจัยเกาเลียงกราหานเป็นปัจจัยแก่กายนี้โดยอธิปัจจัยรูปปชีวิตินรีเป็นปัจจัยแก่ขตารูปโดยอธิปัจจัยสภาวะธรรมที่ไม่มีเหตุเป็นปัจจัยแก่สภาวะธรรมที่มีเหตุโดยอธิปัจจัยมีสองอย่างคือสหชาตะและปเรชาตะสหชาตะได้แก่ โมหะที่สหรคตด้วยวิจิขิชาและที่สหรคตด้วยอุทัจจะเป็นปัจจัยแก่สัมปยุตตะขันโดยอธิปัจใจในปฏิสนธิขณะหาไทยวัตถุเป็นปัจจัยแก่ขันที่มีเหตุโดยอธิปัจใจปุเรชาติได้แก่บุคคลเห็นแจ้งจากสุหาไทยวัตถุโดยเป็นสภาวะไม่เที่ยงโทมณ์จึงเกิดขึ้นเมื่อกุศลและอกุศลดับแล้วจิตตุบาทที่เป็นวิบากซึ่งมีเหตุจึงเกิดขึ้น โดยเป็นตารมบุคคลเห็นรูปด้วยที่ประจักษ์ผูฟังเสียงด้วยที่ประโสงทธาต์หาไทยวัตถุเป็นปัจจัยแครขันที่มีเหตุโดยอธิปัจจัยสภาวะธรรมที่ไม่มีเหตุเป็นปัจจัยแค่สภาวะธรรมที่มีเหตุและที่ไม่มีเหตุโดยอธิปัจจัยมีสองอย่างคือสหชาตะและบุเรชาตะสหชาตะได้แก่โมหะที่สหรกรคด้วยวิจิกิจชาและที่สหรคตด้วยอุทจจะ เป็นปัจจัยแก่สัมปยุตตะขันและจิตตสมุทฐานรูปโดยอธิปัจจัยปุเรชาตะได้แก่เพราะปรารบจากสุหาไทยวัตถุขันไดโมหะที่สหรคด้วยวิจิกิจฉาและที่สหรคด้วยอุทธะจะจึงเกิดขึ้นหาไทยวัตถุเป็นปัจจัยแก่ขันไดโมหะที่สหรคด้วยวิจิกิจฉาและที่สหรคด้วยอุทะจะโดยอธิปัจัยร้อยสิบแปดสภาวะธรรมที่มีเหตุและที่ไม่มีเหตุ เป็นปัจจัยแก่สภาวะธรรมที่มีเหตุด้วยอธิปัจจัยมีสองอย่างคือสหชาตะและปุเรชาตะสหชาตะได้แก่ขันหนึ่งและโมหะที่สหรกรคด้วยวิจิกิจฉาและที่สหรกคตด้วยอุทธะจะเป็นปัจจัยแก่ขันสามโดยอธิปัจจัยขันสองในปฏิสนธิขณะขันหนึ่งที่มีเหตุและหาไทยวัตถุเป็นปัจจัยแก่ขันสามโดยอธิปัจจัยขันสองสหชาตะได้แก่ ขันหนึ่งที่มีเหตุและอา t ทยวัตถุเป็นปัจจัยแก่ขันสามโดยอธิปัจจัยขันสองสภาวะธรรมที่มีเหตุและที่ไม่มีเหตุเป็นปัจจัยแก่สภาวะธรรมที่ไม่มีเหตุโดยอธิปัจจัยมีห้าอย่างคือสหชาตะปุเรชาตะปัจฉาชาตะอาหารและอินทริยะสหชาตะได้แก่ขันที่มีเหตุและมหาูตรูปเป็นปัจจัยแก่จิตตสมุทฐานรูปโดยอธิปัจจัย ขันและโมหะที่สหรฆด้วยวิจิกิจฉาและที่สหรฆด้วยอุทะจะเป็นปัจจัยแก่จิตตสมุทฐานรูปโดยอธิปัจจัยในปฏิสนธิขณะขันที่มีเหตุและมหาภูตรูปเป็นปัจจัยแก่กระตัลารูปโดยอธิปัจจัยสหัชาตาได้แก่ขันที่สหรคตด้วยวิจิกิจฉาและที่สหรฆด้วยอุทะจะและหาไทยวัตถุเป็นปัจจัยแก่โมหะโดยอธิปัจจัย ปัจฉาชาติได้แก่ขันและโมหะที่สหรคตด้วยวิจิกิจฉาและที่สหรคตด้วยอุทจจะเป็นปัจจัยแก่กายนี้ที่เกิดก่อนโดยอธิปัจจยัยปัจฉาชาตะได้แก่ขันที่มีเหตุและโกลินการหานเป็นปัจจัยแก่กายนี้โดยอธิปัจจัยปัจฉาชาตะได้แก่ขันที่มีเหตุและรูปชีวิตินทรีย์เป็นปัจจัยแก่กตาตารูปโดยอธิปัจจัย สภาวะธรรมที่มีเหตุและที่ไม่มีเหตุเป็นปัจจัยแก่สภาวะธรรมที่มีเหตุและที่ไม่มีเหตุโดยอธิปัจจัยมีสองอย่างคือสหชาตะและปุเรชาตะสหชาตะได้แก่ขันหนึ่งและโมหะที่สหรคตด้วยวิจิกิจฉาและที่สหรคตด้วยอุทจจะเป็นปัจจัยแก่ขันสามและจิตตะสมุทานรูปโดยอธิปัจจัยสหชาตะได้แก่ขันหนึ่งที่สหรคตด้วยวิจิกิจฉา และที่สหรโครดยอุทจจะและหทัยวัตุเป็นปัจจัยแก่ขันสามและโมหะโดยอธิปัจจัยขันสองหนึ่งปัจญานุลมสองสังขยาวาระสุทไนร้อยสเกเหตุปัจจัยมีหกวาระอรมณะปัจจัยมีก้าวาระอธิปฏิปัจจัยมีสี่วาระอนันตระปัจจัยมีก้าวาระสัมมันตระปัจจัยมีก้าวาระ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 ชานะปัจจมีสี่วาระมขระปัจจัยมีสามวาระสัมปยุตตปัจจัยมีหกวาระวิปยุตตะ ป, ปัจจัยมีห้าวาระอธิปั จ, จัจมีเก้าวาระนติปั จ, จัจมีเก้าวาระวิคตะปั จ, จัจมีเก้าวาระอวิคตะปั จ, จัจมีเก้าวาระพึงนับอย่างนี้อนุโลมจบสองป จ, จนียุทธาระร้อยยี่สิบสภาวธรรมที่มีเหตุ เป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่มีเหตุโดยอารมณปัจจัยสหชาติปัจจัยอุปาินสยปัจจัยและกรรมปัจจัยสภาวธรรมที่มีเหตุเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ไม่มีเหตุโดยอารมณปัจจัยสหชาติปัจจัยอุปาินสยปัจจัยปัจฉาชาติปัจจัยและกรรมปัจจัยสภาวะธรรมที่มีเหตุเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่มีเหตุและที่ไม่มีเหตุโดยอารมณปัจจัย สหชาติปัจจัยอุปาณิสยปัจจัยและกรรมปัจจัยร้อยี่สิเอ็ดสภาวธรรมท um ี Music, afraid, 沒沒่ไม um um ่ม um ีเหตุเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ไม่มีเหตุโดยอรมณปัจจัยสหชาติปัจจัยอุปาณิสยปัจจัยปุเรชาติปัจจัยปัจฉาชาติปัจจัยอาหาราปัจจัยและอินทรียาปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่มีเหตุเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่มีเหตุโดยอรมณปัจจัย สหชาติปัจจัยอุปนิสยปัจจัยและปเรชาติปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่มีเหตุเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่มีเหตุและที่ไม่มีเหตุโดยอรมณปัจจัยสหชาติปัจจัยอุปนิสยปัจจัยและปเรชาติปัจจัยร2อสภาวธรรมที่มีเหตุและที่ไม่มีเหตุเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่มีเหตุโดยอรมณปัจจัยสหชาติปัจจัยและอุปนิสยปัจจัย สภาวธรรมที่มีเหตุและที่ไม่มีเหตุเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ไม่มีเหตุโดยอารมณะปัจจัยสาชาตปัจจัยอุปนิสัยปัจจัยและปัจฉาชาตปัจจัยสภาวธรรมที่มีเหตุและที่ไม่มีเหตุเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่มีเหตุและที่ไม่มีเหตุโดยอารมณะปัจจัยสาชาตปัจจัยและอุปนิสัยปัจจัย 2. ปัจญปัจจนยะสองสังขยาวาระ ร้อยี่สิบสามณเหตุปัจจัยมีเก้าวาระทุกปัจจัยมีปัจจัยละเก้าวาระโนอวิคตาปัจจัยมีเก้าวาระพึงนับอย่างนี้ปัจจ尼ยจบสปัจจญานุโลมปัจจน尼ยะเหตุทุกขนร้อยยี่สิบสี่ณอารมณ์ปัจจัยขเผตุปัจจัยมีหกวาระณอธิปติปัจจัยมีหกวาระณอนันตรปัจจัยมีหกวาระ ณสมณันตระปัจจัยมีหกวาระณนะอัญญมัญญปัจจัยมีสองวาระณนะอุปาณิสยปัจจัยจมีหกวาระณมคคะปัจจัยมีหกวาระณนะสัมบยุตตปัจจัยมีสองวาระณนะวิบยุตตปัจจัยมีสองวาระโนะนัตถิปัจจัยมีหกวาระโนะวิคตาปัจจัยมีหกวาระพึงนับอย่างนี้อนุโลมปัจจนิยะจบสี่ ปจัจยปัจจญิยานุโลมนเหตุทุกข์ภยนร้อยี่สิบห้าอารมณะปัจจใจคำนาเหตุปัจจัยมีเก้าวาระอธิปติปัจใจมีสี่วาระอานันตระปัจจัยมีเก้าวาระสมนันตระปัจจัยมีเก้าวาระสหชาติปัจจัยมีเก้าวาระอัญญมัญญปัจจัยมีหกวาระนิสยปัจจัยมีเก้าวาระคูปานิสยปัจจัยมีเก้าวาระ ปเรชาตปัจจัยมีสามวาระปัชชาชาตปัจจใจขมณะเหตุปัจจัยมีสามวาระอเศวณปัจจใจมีเ้าวาระกรรมปัจใจมีสี่วาระวิปากปัจใจมีสี่วาระอาหาระปัจใจมีสี่วาระอินทริยะปัจใจมีสี่วาระชานะปัจใจมีสี่วาระมรรคปัจจัยมีสามวาระสมปรยุตตปัจจัยมีหวาระวิปยุตตาปัจจัยมีห้าวาระ อธิปัจจัยเมฆ้าวาระนธิปัจจัยเมฆ้าวาระวิคตะปัจใจเมฆ้าวาระอวิคตะปัจใจเมฆ้าวาระพึงนับอย่างนี้ปัจญิยานุโลมจบเสเหตุกะทุกะจบ สัมปยุตตทุกกะหนึ่งปฏิจจวาระเหตุปัจใจร้อยยี่สหสภาวธรรมที่สัมปยุตด้วยเหตุอาศัยสภาวธรรมที่สัมปยุตด้วยเหตุเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจใจได้แก่ขันสามอาศัยขันหนึ่งที่สัมปยุตด้วยเหตุเกิดขึ้นอาศัยขันสองในปฏิสนธิขณะสภาวธรรมที่วิปยุตจากเหตุอาศัยสภาวธรรมที่สัมปยุตด้วยเหตุเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจใจได้แก่ จิตตะสมุทฐานรูปอาศัยขันธ์ที่สัมปยุทธ์ด้วยเหตุเกิดขึ้นในปฏิสนธิขณะด้วยเหตุนี้พึงขยายให้พิจารเหมือนเหตุตุกะทุกะไม่มีข้อแตกต่างกันเหตุตุสัมปยุทตทุกะจบสี่เหตุสเสหตุกะทุกะหนึ่งปฏิจจวาระหนึ่งปัจญานุโลมหนึ่งวิพังขวาระเหตุปัจจรอยยี่สิบเจ็ด สภาวธรรมที่เป็นเหตุและที่มีเหตุอาศัยสภาวะธรรมที่เป็นเหตุและที่มีเหตุเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยได้แก่อโทสะอโมหะอาศัยอโลภะเกิดขึ้นพึงผูกเป็นจักรไนโมหะอาศัยโลภะเกิดขึ้นพึงผูกเป็นจักรไนัยในปฏิสนธิขณะอโทสะอโมหะอาศัยอโลภะเกิดขึ้นพึงผูกเป็นจักรไนสภาวะธรรมที่มีเหตุแต่ไม่เป็นเหตุ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 โมหะและสัมพิชุตขันอาศัยโลภะเกิดขึ้นพึงผูกเป็นจักกันัยในปฏิสนธิขณะร้อยี่สิปดสภาวธรรมที่มีเหตุแต่ไม่เป็นเหตุอาศัยสภาวธรรมที่มีเหตุแต่ไม่เป็นเหตุเกิดขึ้นเพราะเหตุตุปัจได้แก่ขันสามอาศัยขันหนึ่งที่มีเหตุแต่ไม่เป็นเหตุเกิดขึ้นอาศัยขันสองในปฏิสนธิขณะสภาวธรรมที่เป็นเหตุและที่มีเหตุ อาศัยสภาวธรรมที่มีเหตุแต่ไม่เป็นเหตุเกิดขึ้นเพราะเหตุุปัจจัยได้แก่เหตุอาศัยขันธ์ที่มีเหตุแต่ไม่เป็นเหตุเกิดขึ้นในปฏิสนธิขณะสภาวธรรมที peach, dock, peak, ่เป็นเหตุมีเหตุและที่มีเหตุแต่ไม่เป็นเหตุอาศัยสภาวธรรมที่มีเหตุแต่ไม่เป็นเหตุเกิดขึ้นเพราะเหตุตุปัจจัยได้แก่ขันธ์สามและเหตุอาศัยขันธ์หนึ่งที่มีเหตุแต่ไม่เป็นเหตุเกิดขึ้นอาศัยขันธ์สอง ในปฏิสนธิขณะร้อยี่สเก้าสภาวธรรมที่เป็นเหตุและที่มีเหตุอาศัยสภาวธรรมที่เป็นเหตุมีเหตุและที่มีเหตุแต่ไม่เป็นเหตุเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยได้แก่ อ, ز, อโทสะอโมหะอาศัย Lisa, อโลภะและสัมปยุตตะขันเกิดขึ้นพึงผูกเป็นจักรไนอโมหะอาศัยโลภะและสัมปยุตตขันเกิดขึ้นพึงผูกเป็นจั ก, กนัยในปฏิสนธิขณะ สภาวธรรมที่มีเหตุแต่ไม่เป็นเหตุอาศัยสภาวธรรมที <Question> ่เป็นเหตุมีเหตุและที่มีเหตุแต่ไม่เป็นเหตุเกิดขึ้นเพราะเหตุตัปัจจัยได้แก่ขันสามอาศัยขันหนึ่งที่มีเหตุแต่ไม่เป็นเหตุและอาศัยเหตุเกิดขึ้นอาศัยขันสองในปฏิสนธิขณะสภาวธรรมที่เป็นเหตุมีเหตุและที่มีเหตุแต่ไม่เป็นเหตุอาศัยสภาวธรรมที่เป็นเหตุมีเหตุและที่มีเหตุแต่ไม่เป็นเหตุเกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัยได้แก่ขันธ์สามอโทสะและอโมหะอาศัยขันธ์หนึ่งที่มีเหตุแต่ไม่เป็นเหตุและอาศัยอโลภะเกิดขึ้นอาศัยขันธ์สองในปฏิสนธิขณะย่อพึงขยายให้พิดารอย่างนี้หนึ่งปัจจญานุโลมสองสังขยาวาระสุทนัยร้อยสามสิบเหตุ ป, ปัจจัยมีเก้าวาระอรมณะปัจจัยมือก้าวาระ อธิปติปัจจใจมีเก้าวาระอนันตระปัจจใจมีเก้าวาระทุกปัจจัยมีปัจจัยละเก้าวาระอวิคตาปัจจใจมีเ้าวาระพึงนับอย่างนี้อนุโลมจบสองปัจจยะปัจญิยะหนึ่งวิพังควาระณอธิปฏิปัจจัยเป็นต้นร้อยสาสิบเอ็ดสภาวธรรมที่เป็นเหตุและที่มีเหตุอาศัยสภาวธรรมที่เป็นเหตุและที่มีเหตุเกิดขึ้น เพราะหนอธิปฏิปัปจจัยได้แก่อโทสะอโมหะอาศัยอโลภะเกิดขึ้นพึงผูกเป็นจักกันัยในปฏิสนธิขณะบริบูรณ์แล้วมีกลาววาระนะ้ปุเรชาตะปัจจัยมีกลาววาระหนะปัชชาชาตะปัจจัยมีกลาววาระหนะ้าอ세วนาปัจจัยมีกลาวาระนะกรรมะปัจจัยเป็นต้นร้อยสาสิสองสภาวธรรมที่มีเหตุแต่ไม่เป็นเหตุ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 อาศัยสภาวธรรมที่เป็นเหตุมีเหตุและที่มีเหตุแต่ไม่เป็นเหตุเกิดขึ้นเพราะนะกักกรรมปัจจัยได้แก่สัมปยุตตะเจตนาอาศัยเหตุและสัมปยุตตขันเกิดขึ้นเพราะนะวิปากปป จ, จัยเพราะนะวิปยุตตะปัจจัย 2. ปัจจยะปั จ, จนิยะ 2. ส, สังคยาวาระสุทนัยรย้ยินอธิปติ ป, ป จ, จัยมีก้าวาระ นภเรชาติปัจจัยมีเก้าวาระนปัชาชาตปัจจัยมีเก้าวาระนอเสวนปัจจัยมีเ้าวาระนกรรมปัจจัยมีสามวาระนวิปากปัจจัยมีเก้าวาระนวิปยุตปัจจัยมีเก้าวาระพึงนับอย่างนี้ปัจญิยจบสปัจจญานุโลมปัจจนียเหตุทุกกในร้อยสามิสี่ ณอธิปติปัจจัยก ja, ับเพตุปัจใจมีเก้าวาระณปุเรชาติปัจใจมีเก้าวาระณปัจฉาชาตะปัจใจมีเก้าวาระณอาศวณหปัจใจมีเก้าวาระนกรรมปัจจัยมีสามวาระณวิปากปัจจัยเก้าวาระณวิปยุตตาปัจใจมีเก้าวาระพึงนับอย่างนี้อนุโลมมะจัญยะจบสปัญญาปัจจญญานุโลม ณอธิปติทุกขในรยสามสเหตุปัจจัยกับณอธิปติปัจจัยมีเก้าวาระอารมณะปัจจัยมีเก้าวาระอนันตระปัจจัยมีเก้าวาระอวิคตะปัจจัยมีเก้าวาระพึงนับอย่างนี้ปัจญิยานุโลมจบสหชาตะวาระปัจญยาวาระนิสยาวาระสังสถทาวาระและสัมปยุตตวาระเหมือนกับปฏิจจวาระ